ทรงปรารบใครตอบทรงปรารพภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งเทอุจาระบ้างปัสสาวะบ้างน้ำลายบ้างอยากเยื่อบ้างของเป็นเดนบ้างที่ภายนอกฝาในสิกขาบทที่แปดนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐานละ